พระธรรมเทศนาแผ่นที่108ดลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สเมษายน2560มีชื่อเรื่องว่าบุญนุนส่งถึงพระนิพพานเอาลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวัน อังคารที่ส yeah mm. ี่เมษายนพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดข้ามเดือนห้าขึ้นเดือนห้านะนักกณัตสัทธาญาิโยมอ่าแล้วก็หลวงพ่อย้ำว่าวันที่27เมษาเป็นวันอะไรนะลูกหลานทั้งหลายใครมีหน้าที่อะไรใครจะทำ อันไหนที่เคยทำมาก่อนอย่าไปทำออกนอกลูกนอกทางนะทำอันไหนเคยทำมาก่อนตอนรับขับสู้้องน้ำของธาตุ้องคิดไว้แต่นเนินๆนะ เ, เวลาคิดไกลๆเดี๋ยวมันทะเลาะกันได้ง่ายอันนี้หลวงพอมีแต่ย้ำเตือนเพราะหลวงพ่อเป็นหัวหน้านะแล้วก็วันนี้หลวงพ่อทราบข่าวมาทาง เสาเข็มอง์หลวงตานะได้ทั้งหมดแล้วเจ็ดร้กต้นวันนี้นะทั้งหมด1ัน1้หต้นใกล้เคียงเข้ามาแล้วล่ะเลยครึ่งแล้วแล้วก็พร้อมกันทางคณะกรรมการก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจวันนี้ก็งลงไปไประชุมที่กรุงเทพกับคณาครูบาอาจารย์ ทั้งวิศวะทั้งสถาปนิกทั้งในช่างหารือกันเพื่อจะให้เจดีของลงตาเนเดินเร็วสำเร็จลุร่วงไปด้วยดีจะไม่ทำขยึ ก, ข ย, ก, ข, ยกขยักขยักขย้อนเพื่อจะให้งานไปได้เร็วชีวิตของพวกเราน้อยนักจะไปทำให้ช้าไม่ได้ต้องทำให้เร็วที่สุดแต่ให้ดีที่สดุด เหมาะสมสวยงามแต่เราจะพยายามให้มันถูกตามสถาปัตย์หรือว่าวิศวกรรมถ้าได้ลงมือจริงๆก็สามปีเสร็จเจดีลวงตานะพอมันจักชามาถึงหกปีแล้วนะแต่ลุงพ่อเองมีแต่ตั้งจิตอธิษฐาน ในจิตในใจเพื่อจะทำเพื่อจะเชิดชูบูชาเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยให้เหมาะสมถูกต้องเป็นธรรมสวยงามตามโลกสมมุติไม่ให้กี่หลากิเลสให้เลิศเลอในโลกสมมุติที่ความตั้งใจของเราถูกให้ดีที่สุดในความตั้งใจของหลวงพ่อนะ แต่ท่านผู้ใดจะคิดยังไงอันนี้นหัวใจของใครของใครของเราน呐ะหลวงพ่อจะตั้งจิต อ, อธิษฐานด้วยพุทธานุภาพทำมานุภาพสังคานุภาพ อ, อนุภาพอนองค์บา ร, รมีของหลวงตานะบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุญบา ร, รมีของเทพเจ้าเหล่าเทวานะทุกหมู่เหล่าบันดลบันดาลให้ เจดีของหลวงตาให้สำเร็จจะได้มีอุปสรรคนานับประการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับการก่อสร้างเขาให้เป็นผู้มีศรัทธาให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจให้แพ่งมองไปในทางเดียวกันว่าการสร้างพระเจดีย์ของหลวงตานี่ไม่ใช่สร้างเพื่อ หาทุนนะครับหาผลกำไรพ อ, พ อ, อไรพอไรแต่ได้างานได้เราไม่ให้ขาดทุนแต่ว่าอย่าไปกอบโกยโกงกินในพระจจดีของหลวงตาเพราะหลวงตาเนี่ยเป็นธรรมเป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติลูกหลานทุกคนต้องเสียสละอย่างที่เราได้ยิน ผู้ที่จะสร้างอะไรที่พระโกฏหรืออะไรที่น้องของในหลวงนะประกาศหาผู้มีศรัทธาเขามาทำร่วมกันออกมาจา ก, กจิตใจนี่แหละหลวงพ่อเองกับเจดีของหลวงตาลูกพ่อนะ่อยากจะได้อย่างนั้นเหมือนกันนะ อยากจะได้ผู้มีศรัทธาพ่อหลวงตาเนี่ยทำผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับลูกกับหลานพวกเราจะเด้งเฉยดูได้ไม่กลนไม่น่าจะถูกเพราะนั้นผู้ใดที่เป็นช่างเป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรรมที่จะมาช่วยองค์หลวงตาพระเจดีย์ของหลวงตาในเมื่อสร้างเสร็จมาแล้วก็ไม่ใช่เป็นผงของผู้หนึ่งผู้ใดจะสูงตะงาน เป็นสงหาราศีของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นสงหาราศีของสิทธิอนุสิท์ทั้งหลายแต่หลวงพ่อนะ่ยอยู่ไม่นานนะสร้างพระเจดีศิเสรแล้วไม่รู้กี่ปีอาจจะไม่สร้างไม่เสร็จก็ไม่ทราบเพราะนะักจึงหลวงพ่อจึงเร่งเร่งหายรีบสร้างให้เสร็จให้เร็วที่สุดชีวิตน้อยนักหายใจไม่หายใจไม่เข้าแล้วก็ใช่หายใจไม่ออกแล้วก็ใช้เราจะไปทําแบบเออละเหยไม่ได้ ต้องรีบต้องเร่งต้องทำให้เจ็บให้จบแต่ให้ดีที่สุดแต่ให้จุดประสงค์ของเจดีของหลวงตาก็คือตรงที่หลวงตาบอกว่าเรื่องเจดีเราไม่เห็นด้วยแต่พิพิธภัณฑ์ผลงานของเราเรามองเห็นว่าเกิดประโยชน์นี่แหละสรุปแล้วก็คือสิทธิ์ยาด้วยสิทธิ์ทั้งหลายพวกเกี่ยวข้องทั้งหลายหลวงพ่อก็เลยเน้นเลยว่า ที่เราสร้างมาทั้งหมดทั้งเจดีก็ดีสลาลายก็ดีพิพิธภัณฑ์ก็ดีค็ว่าพิพิธภัณฑ์คำนี้ไม่ใช่ตัวอาคารนะตัวเนื้อหาสาระธรรมเทศนาหรือหรือว่าผลงานขององค์หลวงตาเนี่ยจะเอามาใส่ในในพิพิธภัณฑ์จุดนั้นแหละเป็นหัวใจหัวใจของงานทั้งหมดเพอลงตากัน เน้นอย่างนั้นอีกต่างหากเพราะนั้นจะเอาผู้ใดก็ตามใครก็ตามจะมอบความไว้วังใจกับผู้ใดก็ตามคนนั้นต้องกว้างขวา ง, ต, งาาวาต้องมาร่วมกันทำต้องมาร่วมกันคิดร่วมกันทำไม่ใช่พอทำขึ้นมาแล้วคนมาคนมาดูมาโอ้แต่แต่ตเอามาได้ยังไงทำได้ยังไงทำอย่างนี้แต่ตอนนี้มัน มันเป็นผลงานพอนน่ะเป็นร้อยร้อยปีสี่ห้าร้อยปีพอ น, น่ะเ อ, อเป็นผลงานที่ออกมาไม่ดีแต่ถ้าผลงานออกมาดีไงใครมาเห็นโอดสึงถึงใจอืมออที่ออกมาเนี่ออกแบบได้ดีมากเลยเออพอเข้ามาได้อ่านเนื้ออัดเนื้อธรรมของหลวงตาประทับใจนําไปคิดเ อ, อมาคราวนี้ได้เนื้อหาสาระอันหนึ่งออในบทธรรมขององค์หลวงตา มาแต่ละครั้งไม่เสียเที่ยวมาได้ธรร ม, รรมะแล้วได้สังเกตในแนวความคิดจากองหลวงตาอันนี้ก็เป็นเครื่องเชิดชูบูชาเป็ น, เ ป, นเป็นร้อยปีเป็นพัน 1, ปีเหมือนกันนี่นแหละหลวงพ่อเองเ อ, อยากจะให้พวกเราทุกคนที่เป็นศิทยานุศีและผู้เกี่ยวข้องอทั้งสถาปนิตทั้งสถาปัตทั้งวิศวกรรม คณะกรรมการทุกหมู่เหล่านะต้องช่วยกันขัดเกลาละเพ่งมองสนับสนุนใช้สติใช้ปัญญาในจุดนี้ถ้าว่าจุดนี้จุดที่พิพิธภัณฑ์จุดที่ผลงานเอาเข้ามาแล้วไม่เป็นท่าหล่มเหลวคาวันหล้มเหลวข้ อ, ขอนี้คล้ายๆกับว่าคนเราจะอ้วนท้วนสมบูรณ์มั่งมีสีสุข จดถาบรรดาศักดิ์สูงสงขนาดไหนก็ตามะถ้าหัวใจล้มเหลวจะอย่างเดียวเสียหายหมดอันนี้คือหัวใจหัวใจจะให้มันล้มเหลวนี่แหละไพะนั้นหลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อก็เป็นแนวความคิดนึงเท่านั้นเองอแต่จะให้หลวงพ่อเป็นคนใช้สติใช้ปัญญาหลวงพ่อก็ไม่สามารถอีกเหมือนกันอแต่หลวงพ่อเป็นผู้บอกกล่าวว่านี่นะ หัวใจนะงานนี้ผูดใดที่เพียงคำเดียวแต่พวกผู้ที่เกี่ยวข้องนะ่สถาปัตย์ทั้งหลายรวมพลังรวมหัวกันรวมสติปัญญากันให้หลอ่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวออแล้วก็ให้ออกมาออคนเข้าไปในไปชมพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาแล้วเชงถึงออประทับใจไปนานเท่านานนี่แหละหลวงพอ่อยากจะให้เป็นลักษณะอย่างนั้นนะเจดีย์ของหลวงตา แน่ความคิดนะแต่จะได้มากน้อยอย่างไรแค่ไหนก็สุดแทแต่บารมีบุญบารมีขององค์หลวงตาอีกเหมือนกันนั่นแหละแต่หลวงพ่อก็มั่นใจบุญบารมีของงหลวงตานี่บุญหนักสักใหญ่ใหญ่จริงจริงแต่พวกเราจะทำให้ถึงบุญบารมีขององค์ท่านหรือเปล่าองค์หลวงตาหรือเปล่านี่ก็ขอฝากไว้กับพวกเราผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนงานก็ไปไปได้เรื่อยๆนะครัาาัาญาติโยม ยังไม่สะดุดยังมไม่มีอะไรแต่นี้เรากำลังสรรหาสรรหาผู้รับเหมาผู้ที่จะมาบริษัทที่จะมารับเหมาก่อสร้างละก็พร้อมกันพวกเราก็สรรหาผู้ที่จะทำสถาปนิกเอาเรื่องราวเข้ามาในเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ของของค์หลวงตาคือไปพร้อมๆกันนี่แหละ ไอ้เมื่อตอกเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะอมองเห็นผู้รับเหมาเข้ามาละแต่หมอปูนรับเหมาก็นนี่ยหลวงพ่อข อ, เ, อ, เ, อเทพเจ้าเหล่าเทวาขอให้ผู้ที่เข้ามาทำจิตใจที่เป็นกุศลสร้างเพื่ อ, เ, อเราสร้างบริษัททำงานผลงานข้างนอกทำงานเพื่อหาเงิน สร้างตึกร้านบ้านช่องถนนหนทางที่สร้างมานั่นเครือหาเงินแต่จุดนี้เรามาเพื่อสร้างเพื่อทาบุญสร้างบุญเข้าสู่จิตใจบุญกับเงินมันต่างกันนะลูกหลานนะเพราะว่าเงินหรือถึงจะสร้างมาขนาดไหนก็เถอะเงินนั้น ส, งสง่งโรงพยาบาลไปส่งถึงหมอ จ้างหมอเถอะเท่าเท่าไร่เอาเท่าไหร่ผลในสุดหมอหมดความสามารถเพราะว่าเออเาไมา่อยู่ละร่างกายของคนเราเนี่ยผลในสุดเนี่ยตายกลับมาถึงบ้านญาติพี่น้องทางหลายรักกันขนาดไหนสามีภรรยาลูกหลานเลนรักขนาดไหนส่งถึงเมนเอพอส่งถึงเมนเสร็จแล้วพอเผา เ, เอาไฟเผาเอา ดวงวิญญาณออกจากร่างดวงร่างนั้นนั่นหละบุญ น, นทะทบุญกุศลที่สร้างพระเจดีเนี่ยทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลจะเป็นเพื่อนสองของดวงวิญญาณ น, นั้นถ้าเราทำบาปบาปก็เป็นเพื่อนสองถ้าเราทำบุญบุญเป็นเพื่อนสองแต่ว่าถ้าบาปเป็นเพื่อนสองนะพอตายปุ๊บไปไปบาปเป็นเพื่อนสองะไปยายมมาโทษให้ทหารมาล็อกแขนไปเลย ลงไปพยายมตัดสินเจลาเอาลงนรกเราก็โยนลงไปเผาเผาอยู่ใน น, นรกก่อนพอพ้นจากนารกขึ้นมาแต่กเกลียดต่กายมาเป็นเปรตจากนั้นก็มาเกิดเป็นสัตว์ที่ฉันกว่อจะได้เป็นมนุษย์อีกอันนั้นคือบาปบาปให้ผลถ้าบุญให้ผลเนี่ยแต่พวกเราสร้างบุญสร้างกุศลเอาบุญใส่ใจพอ ตายไปแล้วราลึกถึงโอ้ผู้ฆ่าในสร้างพระจีดีถวายองหลวงตาคือพระหันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเรานึกขึ้นมาเยบุญกุศลจะเป็นเพื่อนสองนะเราจะไปชวัดชั้นไหนจะมาเกิดเป็นมนุษย์จะมาเกิดที่เก่าหรือจะมาเกิดที่ใหม่ไปได้ทั้งนั้นคนมีบุญนี่แหละบุญกับบาปมันต่างกันนะเงินส่งเรื่องโรงพยาบาล ญาติพี่น้องรักกันส่งถึงเมนบุญกุอสส่งถึงนิพพานนะเพราะนั้นพวกเรานะจะเอาอะไรเราจะเอาแต่เงินอย่างเดียวไม่ได้นะต้องสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจเนี่ยที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็มองหลวงพ่อเหมือนกันครวัตชีวิตของครวัตชีวิตการเป็นอยู่ของครวาวัตหลวงพ่ออินรู้ไหม <c oughs> รู้แก่ใจ กินข้าวนอนหลับมีคู่ครองมีสามีภรรยามีญาติโกโหติการ้องรำทำเพลงดูหนังรูละครอันนั้นคือโลกแต่ลูกพ่อเข้ามาอยู่อย่างนี้นะแต่มองมองดูแล้วสิ่งเหล่านั้นมันได้ประโยชน์อะไรมีอะไรในที่สุดเมื่อมองพิจารณาทางธรรมดีกว่าสงบจิตสงบใจดีกว่า เจ้าในมาอยู่จุดนี้ในมึงอยู่จุดนี้หลวงพ่อเสียใจหมไ า, ายภาคภูมิใจอย่างมากที่มาถึงจุดนี้ไม่กี่ปีกี่เดือนข้างหน้าก็ใช่ละชีวิตของข้าแต่ข้าพยายามข้าจะทำให้ดีที่สุดสิ่งนี้ที่ไหนที่มันดีิคิดดีทำดีพูดดีจะทำจุดนั้นให้ดีที่สุดนี่แหละหลวงพ่อคิดผิดหรือคิดถูกให้พวกลูกหลาน คิดดูสิถ้าคิดอีกแบบหนึ่งลูกหลานก็คงจะคิดอีกมุมหนึ่งแต่หลวงพ่อเนะี่คิดอีกมุมหนึ่งนะลูกหลานนะแต่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อคิดถูกหลวงพ่อจะคิดอย่างนี้นะแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราให้คิดดูตายแล้วไม่สูญในหลักของพุทธศาสนาตายแล้วบุญกุศลจะเป็นเพื่อนสองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปนิ่งดูดายอย่าไปนิ่งนอนใจบุญกุศลก็ควรจะสร้าง เงินคำทรัพสมบัติพัฒถานการทํามาหาเลี้ยงชีพก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องทำให้ดีขยันหมั่นขยันแต่จุดนั้นก็ทำให้ขยันแต่ธรรมะก็จะปล่อยปะละเลยไม่ได้ให้เราศึกษาเมื่อเราทำสร้างบุญสร้างกุศลเข้าจจิตใจแล้วนะ่ะบุญจะเป็นเพื่อนสองอย่างวันนี้นะเป็นวันพระที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้พวกเรารักษาศีลในนะวันนี้นะ้ อยางน้อยก็รักษาศีลห้ามากกว่านั้นรักษาศีลอุโบสถผู้สูงอายุก็ควรจะรักษาอุโบสถศีลนั่นแหละก็ไม่เห็นจะจุงยากที่ตรงไหนบำเพ็ญคุณงามความดีไปเรื่อยๆเบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเรานึกคิดขึ้นมาเมื่อไหรเราก็สบายใจนะถทางว่าเราไม่มีบุญกุศลมันว้าเวีอ้างว้างนะถึงจุดนั้นนะมันว้าวีอ้างว้างเงียบเงานะ่ไม่รู้จะคิดถึงอะไร คิดพึงลูกก็แล้วคิดพึงหลานก็แล้วคิดพึงครูบาอาจารย์ก็แล้วพคิดพึงสามีภรรยาก็แล้วคิดพึงทรัพย์สมบัติก็แล้วไม่มีอะไรที่คิดถึงนะนอกจากคิดถึงบุญเท่านั้นคิดถึงบุญกุศลเ่านัถ้าคิดถึงบาปนั่นแหละบาปเขาก็นหญงเขี่ยวซะเลยแหละท่านนี้ถ้าคิดถึงบาปนะฆ่าได้ฆ่าคนนั้นด่าฆ่าได้ขโมยคนนี้ฆ่าได้อทำกรรมจุดนั้นจุดที่เมื่อข่ายังมีอำนาจอยู่นะ นั่นแหละข้าวนั้นละนะลึกแล้วลึกถึงกรรมชั่วนะกรรมชั่วเขามาหลงมะตุ่มเข้ามาอหละที่นี่การเลียงหน้ากันกันเข้ามาเมืองเมืองขาดใจเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละ <c oughs> บ, บาปอกุศลเมื่อจะหลุมเข้ามานะถ้าเราละลึกถึงบุญกุศลนะเออข้าพเจ้าได้ทําอย่างนู้นอย่างนี้เลยปฏิบัติพ่อแม่ได้ปฏิบัติครูบาอาจารย์ปฏิบัติอศีลปฏิบัติธรรมได้สร้างอท้าวรไว้ใน พุทธศาสนาได้สาวรไว้ให้สาธารณชนสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนประกอบคุณงามความดีบุญกุศลกระเรียงหน้ากระดานเขาเข้ามาเหมือนกันคนหนึ่งจะช่วยอะไรบุญกุศลจะช่วยอะไร เ, เราก็ช่วยเข้าไป เ, เราก็มีแต่ความสุขกายสุขใจไม่ใช่เหรอถ้าเราทำทำอย่างนั้นนะ วันนี้ก็ให้แนวความคิดแนวหนึ่งนะการัาททายาติโยมลูกหลา น, นตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรนรตรีนะ mm hmm. อุทิศสวนกุศลกนวดน้ำานอะภูที่ญาติพี่น้องลูกหลานที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสามีภรรยานี่ห ล, ลวงรับดับขันไปอุทิศสวนกุศล